งานของใจในขณะนี้นะเป็นงานที่จะต้องมาเพ่งพินิษดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามสาภาพความเป็นจริงทั้งนี้ก็เพราะจิตนี้นยะยังไม่รู้จริงในร่างกายนี้ เหตุนั้นมันถึงได้มาเกิดอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้ามันรู้จริงตามเป็นจริงแล้วมันจักไม่ได้มาเกิดอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้เลยเพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะมาอยู่มาอาศัยเลยนะถ้าหากว่าเพ่งพี่นะ ดูให้เห็นตามความจริงแล้วนะใครๆก็ยอมรู้ดีนะแต่คนส่วนมากเนี่ยมันกไม่ชอบพิจารณาเท่านั้นแหละท่านอุปมาไว้เหมือนกับหนอนที่อยู่ในส้วมซ้วมโบราณ น, นะ ส้วมสมัยนี้ น, นอนเกิดไม่ได้ mm. นะ่นนอนเกิดอยู่ในส้วมนะมันมันไม่ว่ามันด้อยู่มันไม่คิดว่ามันอยู่ในสถานที่สกรปรกสโสมมอะไรเลยมันถือว่ามันได้อยู่สถานที่มีความสบายมากเพราะ อาหารการกินไม่อดไม่ยากไม่ต้องซื้อต้องหาถึงเวลาเขาก็เอามาส่งให้กินอย่างนี้มันก็ไม่ปาถนาอยากแค่หนีไปที่อื่นเลยธรรมดาตัวหนอนนะอันนี้ชั้นใดก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตใจคนเรานี่เมื่อไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจคือไม่มีศีล ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้นี่ใจนี่มันก็ยอมหลงรักหลงใครหลงกำหนัดยินดีอยู่ในขันทางห้าอันนี้แหละสำคัญว่าเป็นของสวยของงามสำคัญว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่ตน ก็ทำความยินดีพอใจมันอยู่อย่างนี้แลลวแต่ละวันแต่ละคืนไม่คิดที่จะให้พ้นไปจากน้ำจากกรุกคือขันห้าอันนี้มีแต่ปล่อยใจให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่ในโลกอันเนี้ยการที่จะมานึก มารำพึงในใจลงในปัจจุบันนี้ว่าอาะภรพ์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นของไม่ยั่งยืนคันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่ทางแปลปูนไปแล้วก็เป็นทุกข์ทนยากลำบากแล้วทั้งบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง ไม่อยู่ในอำนาจของบุคคลใดอแทนที่จะมานึกมาตรึกตรองหาความจริงของร่างกายอย่างนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ส่งใจคิดออกไปข้างนอกนู่นใจมันผูกพันสิ่งใดมันกบคิดส่งไปหาสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นนะ แล้วมันจะไปหนีจากโลกนี้ได้อย่างไรอ่ะมื่อนี้ <c oughs> มันก็หนีไม่ได้แล้วแต่บางคนเมื่อมันคิดส่งใจออกไปข้างนอกเลยจิตเป็นอกุศลขึ้นมามันไปคิดโลภอยากได้สิ่งของของผอื่นมาเป็นของตนเข้าไปโอ้มากมากในกามก็ไป ประพฤติผิดในเมียในผัวของผู้อื่นในทางกรรมมคุณเนี่ยโทษที่เพ่งจิตออกไปข้างนอกพวกเล่นชู้จากเมียเล่นชู้จากผัวอยู่เหมือนนั้นมันล้วนแต่มันปล่อยจิตให้เพ่งไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใครในโลกทั้งนั้นเนี่ยันที่มันเปรค่าสัตว์ตัดชีวิต ไปลักไปล่อเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนก็ดีไปจี้ไปปล้นก็ดีมัวนี้มันล้วนตั้งแต่ส่งกิจออกไปข้างนอกเมื่อส่งไปเท่าไรความอยากมันก็ยิ่งเท่าอีคูนขึ้นเท่านั้นความอยากได้นั่นนะมันเนี่ยวาจาก็สุดแล้วแต่มันจะได้สิ่งที่ตนต้องการมา จะพูดโกหกพกกลมสอเสียดยังไงยังไงก็สารพัดแต่มันจะพูดไปจะขอให้ได้สิ่งที่ตนต้องการมายอมเสียศีนเสีย ส, สัตว์ไปหมดเลย อ, อย่างนี้แหละบางลายบางทีอ๋อคนพวกนี้มันชอบดื่มของมืนเมา เราต้องไปเลี้ยงเหล้ากันไปเพื่อจะได้ขอสิทธิ์พิเศษอะไรสักอย่างจากผู้มีอำนาจด้านนั้นก็ลงทุนเลี้ยงเหล้าเคลื่อนไปตัวเองก็ดื่มไปก็เมากันไปอันนี้มันเกิดจากความอยากของจิตใจทั้งนั้นใจไม่สงบอยู่ภายใน มีแต่คิดสงสัยออกไปข้างนอกสายเหตุที่จะทำความชั่วในคนเรานะมันออกไปจากใจนี่มันควบคุมใจให้สงบอยู่ภายในไม่ได้มันจึงได้สู้อำนาจความอยากคือตัณหาไม่ได้เลยบุคคลจะเป็นคนยากคนจนคนแค้นต่างๆโมนี่นะเหมือนกันแหละ พราะเมื่อความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วหาเงินหาทองไม้เท่าไหร่มันก็ไม่ไม่สามารถจะเก็บหอมรอมริบฝากธนาคารได้เลยได้มาเท่าไหรก็คิดจ่ายไปเท่านั้นเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สุดเรื่องมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็อยากรวยทางรักอฐเอาไปซื้อหวยเทือน กาไปบ้างเอาไปเล่นถั่วเล่นโปเล่นไฮโรเรียกว่าการพนันเนี่ยหวังว่าเมื่อถูกเราก็จะรวยขึ้นทันทีโมนี่มันเกิดจากความอยากของจิตใจนี่ทั้งนั้นเลยแทนที่มันจะรวยกับชพฝายซ้ำเล่นการพนันก็ดี มันนี้นะบางคนจะไปเป็นโจรนะนี่นั่นเลยหมดเงินหมดทองเข้าของแม่มรดกที่พ่อแม่ <c oughs> มร <c oughs> มรดกที่พ่อแม่แบ่งสรรปันส่วนไว้ให้ <c oughs> ก็ไปจับจ่ายขายกินหมดขายเล่นหมดเ <c oughs> <c oughs> มื่อมันไม่มี อะไรจะเป็นพี่พึ่งอาศัยได้แล้วนั่นแหละมันก็ต้องไปรวมหัวกันเป็นโจรคนเรานะ่ะมันไม่ยอมอดตายนี่เรื่องมันนะเที่ยวกี้เที่ยวปล้นเอาบุคคลผู้ประมาทผู้ได้เผอตัวละเอาเลยอันนี้แหละโทษที่ไม่ฝึกขนอรมณจิตใจนะมันพาให้คนเรานั่น เสื่อมสมรรถภาพจากคนไปหมดเลยจากมนุษย์คำว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้คำว่ามนุษย์โสแปล ว, <c oughs> ว, ว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยคุณธรรมอันดีงามนี่แล้วความประพฤติของคนเรานี่มันไม่สม มันไม่สมกับชื่อคนบางคนบางพวกนะเบินยนฉ้ น, นั้นควรที่จะประพฤติตนให้สมกับชื่อที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติว่ามนุษย์โสแปว่าภูมิใจอันสูงเราต้องยกกิจใจของตนให้สูงขึ้นสู่คุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรานั้นฝึ ก, กจิตใจตัวเองให้มันสงบระ ง, งับจากสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตที่มันหลงยึดหลงถือเอาไว้แล้วนั่นนะอันมันจะละได้ก็เพราะเหตุว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่แหละหมายพาะาว่า ควรความคิดความนึกให้เข้ามาคิดนึกอยู่ในร่างกายอันนี้นะมาดูร่างกายอันนี้มากาหนดรู้ร่างกายอันนี้การกาหนดเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นนั่นก็เรียกว่ามาดูร่างกายเหมือนกันนะพะลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ใช่ไม่ไม่จัดเป็นร่างกาย ถ้าลมหายใจเข้าออกนี้ไม่มีแล้วร่างกายทุกส่วนก็คงทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกทําลายลงดังนั้นการที่เรามากําหนดเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกอนี้ก็เท่ากับว่ามาดูชีวิตนี้เองแหละมมาดูชีวิตนี้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะ อ้าวชีวิตนี่มันก็อาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่ไม่ใช่ก่นไกลอะไรอ่ะเอน็นี้ถ้าว่าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแล้วชีวิตนี่ก็หาไม่หม้ยคําว่าชีวิตเนี่ยถ้าเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่แล้ว มันมีน้อยนิดเดียวหนึ่งนะไม่มากมายอะไรเลยนะแต่ไม่ทราบอารมณ์หายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงเวลาไหนเมื่อใดวันใดเรารู้ไม่ได้เลยอันนี้อุบายวิธีที่จะทำใจให้สงบลงไปได้นะให้เพึ่งพากันเข้าใจ ถ้าว่าไม่ทวงกระแสเข้ามาเพ่งพิจารณามาวิจารณ์ดูลมหายใจเข้าออกมาวิจารณ์ดูอวัยวะร่างกายทุกส่วนหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมู่นี้นะมันไม่มีทางที่จะทำใจสงบได้เน่นะพระกรรมฐานที่พระศาสดาทรงแสดงไวหวมูอนั่นนะ มันกร็ร้วนมีอยู่ในกายนี่ทั้งนั้นเลยเนี่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจนี่ทั้งนั้นเช่นพรหมวิหารสี่อย่างนี้นะก็เป็นสมะถะกรรมฐานเนะี่ยก็ใจนี่แหละเป็นผู้เจริญขึ้นพรหมวิหารสี่จึงมีเช่นการเจริญเมตตาก็จิตนี่แหละเจริญนะนเป็นอย่างนั้นอสุภาสิตอย่างนี้นะ การพิจารณาอัตภาพร่างกายนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงคือร่างกายนี่อ่ามันมีลักษณะที่เรียกว่าไม่สะอาดอ น, ออนั่นเองเนี่ยสกปรกอืมนันนอันอัน อ, นอนสุภาพสิบประการ น, นั่นนะพิจารณาร่างกายนี่สมมติว่าจิตนี่ออกจาก ร่างกายอันนี้ไปแล้วอย่างนี้ร่างกายนี้จะต้องนับวันนับเวลาแต่มันจะเน่าจะเปื่อยผุพังไปแต่ก่อนเคยเป็นสีขาวต่อมาก็คล้ำแล้ววะเนี้ยนะสีดำคล้ำไปนั่นแหละแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนั่นแหละ แล้วก็นเน่าเปื่อยผุพังน้ำเหลืองไหลออกไปหมูเนี่ยแล้ววันดาพวกแรงพวกกลาพวกนั้นสมมติว่าถ้าหากว่าไม่เผาไม่ฝังนะเอาไปทิ้งไว้อย่างนี้นะพวกสุนัขทั้งหลายก็มายื้อแย่งกันกินนะเนี่ยพอเสร็แล้วนะั้นมันชอบของโสโครกเรื่องมันนะ มันเกิดมีสีต่างๆขึ้นมามันเกิดมีลักษณะอาการต่างๆขึ้นมามันถึงสิบอย่างคุณที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นะนั่นแหละมันก็เรียกว่าลักษณะอาการสิบอย่างนี้มันก็เป็นไปจนถึงไปไฟเผาเหลือแต่กระดูกนู่นกระดูกสีขาว กองกันอยู่แล้วนั่นเนี่ยความเป็นไปของร่างกายนี่มันก็เป็นอย่างนี้เองเนี่ยพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพยายามรวมกระแสจิตรวมความคิดความนึกเข้ามาในปฏิวัตนนินี่ให้มารวมอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านี้ ไม่ไม่ให้จิตนี่ส่งกระแสตัวเองออกไปข้างนอกให้มันมารวมเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันเฉพาะขณะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่เมื่อมันรวมกระแสจิตเข้ามาเป็นหนึ่งอยู่ภายในนี่ได้จิตนี่มันก็ยอมส ง, งบพอมันส ง, งบแล้วมันก็ฟ่องใสนี่ เนี่ยนะมือมันผ่องใสแล้วเพ่งดูเอาอวิวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆอันนี้มันก็เห็นชัดเท่านั้นเองเลยอุปมาเหมือนอย่างร่างกายนี้เหมือนกับเรือนกันแล้วกันเลทีนี้เมื่อเวลาเราอยู่ในเรือนกลางคืนนะมันกลมมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนอันนั้นนะ ทีนี้พอไปกดสวิทไฟฟ้าเขาเ้านี่ไฟสว่างจ่ามาความมืดก็าหายมันนี่ก็มองเห็นสิ่งของต่างที่มีอยู่ในเรือนนั่นนะอะไรต่ออะไรมีอยู่ในห้องนั้นเห็นหมดเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละตามธรรมดาจิตนี่เมื่อไม่ มันไม่สงบมันถูกโมหะครอบงำเข้าอย่างนี้มันมืดตึดตือไปเลยอะอ่าอาศัยอยู่ในร่างกายนี้แต่ไม่ไม่สามารถจะมองเห็นร่างกายนี้ได้เพราะความหลงมันเข้าครอบงำความอยากอะไรต่ออะไรแหละกิเลสสารพัดมันครอบงำอะมันเลยมืดมนไปอ่ามองไม่เห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เลย มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะวันนี้พอเรามาพยายามทําจิตนี้ให้สงบจากนิวรณ์ห้าคือสงบจากความรักสงบจากความชังสงบจากความง่วงเหงาหงานอนสงบจากความฟุ้งซ่านรําคาญของ จ, จิตใจจิตใจคิดนึกไม่หยุดไม่หย่อนโเนี้ยมันสงบลงไปสงบจากความสงสัยลังเล ในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกสวรรค์นิพพานหรือว่าในเรื่องว่าโลกหน้ามีหรือไม่อะไรโมนี่น ะ, ะมันมันไม่สงสัยแล้วมันหายสงสัยหมดเลยพอเมื่อใจสงบลงไปแล้วอย่างนี้นรกก็อยู่นี่สวรรค์ก็อยู่นี่แบบนี้มันเห็นแจ้งด้วยตัวเองเลยนะ นรกก็คือใจเดือดร้อนนั่นแหละใจมัวหมองใจเป็นทุกข์เป็นสุกนั่นแหละคือนรกนี่มันก็รู้ได้นรกแปลว่าสถานที่เสื่อมโซรมก็กเมื่อใจมันอาศัยร่างกายอันนี้แล้วมันมัวหมองอมันอ่อนเพลียอ่อนแออย่างนี้นะมันก็เรียกว่าสถานที่เสื่อมโทมแล้ว มันถูกอันสิ่งที่มันเศร้าหมองสิ่งที่มันสุดโสมนั้นหุ้มหอกจิตนี่ไว้นั่นแหละพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติว่านรกไปตกนรกก็ตนไปสร้างนรกให้แก่ตนอยู่เมืองคนนี่แล้วนะมันนี่ตายเป็นผีไปอ่ะ กรรมวิบากอันนี้มันก็ไปสร้างนรกให้เมืองผีนูน่นจะไปสงสัยอะไรแล้วนั่นแหละวันนี้สวรรค์ก็อยู่ในจิตนี้เมื่อทำจิตให้สงบลงไปนี่วอนห้าอันเป็นไฟอากุศลอย่างกลางนี่มันดับไปใจก็เบิกบานผ่องใสขึ้นมาเมื่อใจเบิกบานผ่องใสก็มีความสุขกล้าเริงบันเทิงเนี่ยคนเรา ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีทุกข์ไม่ร้อนอะไระเศรแต่ของทิพย์ยนั่นน่ะนึกอยากได้อะไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นให้ตามกำลังของบุญที่ตนทำมาอย่างนี้นะอันนี้ก็เปรียบได้กับจิตใจของเราที่ทำใจให้สงบพรงในปัจจุบันนี่ เมื่อใจสงบลงไปใจเบิกบานแล้วนึกคิดอยากรู้เรื่องอะไรก็รู้วันนี้นะสงสัยอะไรพิจารณาเรื่องนั้นก็เห็นแจ่มแจ้งเลยไม่สงสัยแล้ววันนี้นั่นแหละสงสัยว่านรกจะมีจริงหรือสวรรค์จะมีจริงหรือ ก็พิจารณาก็เห็นแจ้งใะดังอธิบายมานี่แหละหเมื่อนรกในใจนี่มีแล้วนรกในโลกหน้านั้นมันถึงมีถ้านารกไม่มีอยู่ในใจนี่นรกในโลกหน้านั่นก็ไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นหให้เข้าใจอย่างนั้นแม้สวรรค์โลกหน้าก็เหมือนกันนะ มันต้องมีสวรรค์อยู่ในใจอันเป็นปัจจุบันนี้ก่อนเห็นสวรรค์อยู่ในใจอันเป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจึงมีสวรรค์ในโลกหน้านั่นนะเมื่อจิตวิญญาณละร่างอันนี้ไปแล้วสวรรค์คือบุญกุศลอันแต่งจิตให้เป็นสวรรค์อยู่นี่นะมันก็นําไปเกิดในสวรรค์โลกหน้านู่นสวรรค์เป็ว่าสถานที่เลิเอ นั่นเนี่ยเนี๋ยวว่าไปเกิดอาศัยอยู่ในสถานที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็ล้วนแต่เป็นที่น่าลื่นเลิรงบันเทิงใจอ่าอย่างนี้นแหละเราพูดถึงการสังคมกันอย่างนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีใจดีมีใจ สงบไม่มีโทสะพยาบาทซึ่งกันและกันสังคมกันก็เป็นสังคมไปด้วยดีอะไรอะไรก็มีแต่ดีไปหมดเลยในสวรรนคะ์นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนนะถ้ารู้ว่าต น, นยังบรรลุนิพพานยังไม่ได้ก็พยายามสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในใจของตนไปก่อน อย่าไปสร้างนรกขึ้นมาเมื่อสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นแล้วนรกมันก็ดับไปนั่นอย่างนี้เลยทียนี้เมื่อจิตใจนี่นะมันมีคุณธรรมของเทวดาพิงเครื่องอยู่แล้วมันก็มีสติมีปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ ขึ้นมาอ่าอย่างนี้แหละเมื่อปัญญามันแก่กล้าขึ้นแล้วอ้าวมันก็จะมองเห็นเลยบันนี้ว่าแม้รูปร่างของเทวดาเทวบุตรบนสวรรค์นั้นถึงแม้จะสวยจะ ง, งามจะละเอียดปานนีอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีๆนี่แหละเขาะเหตุปัจจัยที่ไปแต่งให้เป็นเทวบุตรเทวดานั้นก็คือบุญกุศล อันเป็นส่วนโลกียะธรรมนี้เองเนี่ยบุญกุศลเหล่านี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อไปแต่งให้แล้วมันก็อำนวยความสะดความสบายให้ไปตามกําลังของบุญนั้นอยพึ่งอำนวยให้ไปได้ไปๆที่นี่บุญเหล่านั้นมันหมดลงเป็นที่นี้่ชีวิตของมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีท่านอุปมาไว้เหมือนตะเกียงและคมไฟ่ะ อาศัยน้ำมันกับไส้เมื่อจุดไฟเข้าไฟก็ลุกโพรงเมื่อนานไปนานไปไส้นั้นก็สั้นลงไปน้ำมันก็หมดลงไปในที่สุดเมื่อน้ำมันหมดไฟก็ดับฟู่ลงทันทีอันนี้สัญใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมเมื่อบุญนั้นหมดลงเมื่อใด ชีวิตนี่ก็ดับลงเมื่อนั้นดับแต่ร่างกายนะจิตนี่เมื่อมันมีอุปทานอยู่มันก็ไม่ดับเมื่อมีอุปทานอยู่มันก็เป็นตัวกรรมบนี้เอาตัวกรรมนั้นก็นำไปอีกนำไปเกิดในภพอื่นอีกต่อไปอ่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่ใช่ตายแล้วมันศูนย์นะมันไม่ศูนย์ในเมื่อตันหาอุปทานมีอยู่ ตัณหาอุบทานน่ะเป็นตัวกรรมนําไปเกิดอีกส่วนว่าผลบุญที่ตกแต่งอายุาร่างกายให้นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนบุญกรรมที่จะพาไปเกิดอีกมันอยู่ในใจจิตของผู้นั้นนะจิตผู้นั้นยึดถือไว้อืมจิตนั้นมันยึดถือเอาบุญกรรมอันนั้นไว้อย่างนี้แหละ คะมันยังละอุปท า, านในขันห้านี้ยังไม่ได้นะให้เข้าใจนั่นแหละบุญกรรมนั่นแหะนำไปเกิดอีกต่อไปตายจากสวรรค์ก็ามาเกิดมนุษย์เกิดมาแล้วบุญเก่านั้นมกรมาเตือนใจให้สร้างบุญบา ร, รมีสืบต่ออย่างนี้แหละนี่พูดฝ่ายถึงคนที่มีบุญอันนี้นะ คนสั่งสมบุญใส่ตนของตนทนคนฝึกจิตใจฝึกภาวนาสมาธิฝึกเจริญปัญญาหรือปัฒนาให้เกิดขึ้นคนผู้สั่งสมบาปก็อย่างว่านั่นแหละมันก็มีอบายภูมิสีมีนรกเป็นตน้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เสวยทุกข์ทนทรมานนรกสถานที่นรก ตัดไปตกลงไปนั้นมีแต่สถานที่ไม่น่ารื่นเริงบรรทงใจอะไรเลยนะวันจีนละเรื่อเรื่งรงองยังไงลนะ่ะตามตำราลิปศาสตร์พระดาทรงแสดงไว้หม้อน้ำร้อนนี่นรกนั่นนะไม่ใช่ว่าเป็นหอประสาทตรัาชสมุนเทียนอะไรอนะ่ะหม้อน้ำร้อนเดือดพันอยู่นั่นเนะี่ย นาเนยยบาลจับสัตว์นรกนั้นโยนลงไปตกลงไปกันน้อมร้อนร่วงร้องครวรคางเจ็บปวดในสุดตายลงแบบนี้เอาตายไปบาป ก, กรรมยังไม่สิ้นเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกน้าร้อนก็นรวก่รวงไฟเผาเข้าอีกทนไม่ไหวตายไป กรรมไม่สิ้นเกิดขึ้นอีกอยู่อย่างนั้นแหละเอเอด้อานั้นท่านจึงเรียกว่านารกแปลว่าสถานที่เราร้อนหรือว่าสถานที่เสื่อมเสื่อมจากความสุขหมายความว่าอย่างนั้นเอเพราะฉะนั้นทุกคนนะให้พึ่งตั้งฮิริโอ ต, ตปะธรรมไว้ในใจเสมอให้ละอายแก่ใจในอันเจตทําความชั่วทั้งในที่รับที่แจ้ง ให้เกรงกลัวความชั่วที่ตัวทรรมนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อันนี้นับว่าเป็นปัญญาอันสำคัญนะปัญญาที่สร้างฮิเดโอตประธรรมขึ้นในใจได้นี่นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องต่ำๆนะบุคคลจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ได้ก็เพราะมีคุณธรรมสี่อสองประการนี้แหละอยู่ในใจตลอดเวลาไปเลย จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นพยายามบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกลัวกิเลศบาปธรรมมันจะฉุดไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตนเอ่เป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจคุณธรรมเหล่านี้จึงว่าเป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดในมีขึ้นในจิตใจเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้แล้ว มันก็เป็นเหตุให้ขยันหมั่นเพียรนะผู้นั้นนะเกียข้าไม่ได้ถ้าเกียข้านะกิเลสบาปธรรมมันจะฉุดข้าไปสู่นรกเตือนใจตนอยู่งั้นเสมอแหละเอะเมื่อเกิดความกลัวกลัวความทุกข์มันจะอครอบงำตนเองนะกลัวตนเองจะไปอยู่เกิดในสถานที่ทุกข์ที่ลําบากออทําบุคคล ที่กล้าทําบาปทากรรมได้ก็เพราะมันไม่กลัวนั่นเลยไม่กลัวบาปกรรมที่มันจะนําไปสู่ทุกข์นั่นเนี่ยมูลเหตุมันนะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอภ a มาท่าธรรมคือความไม่ประมาทนี่ความไม่ประมาทนี่ก็คือเป็นผู้มีสติสมบัติชันนี้อ่า ทวนกระแสจิตเข้ามาหากายหาจิตอันนี้เสมอดังที่ปารกมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละในธรรมบรรยายเรื่องนี้นะมุ่งหวังที่จะให้ผู้ฟังนั้นถือเอาเป็นแนวปฏิบัติคือมันมีสติสมบัติเช่นนี้ทวนกระแสจิตเข้ามาหากายอันนี้ มาเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้ให้เห็นตามสาภาพความเป็นจริงดังบรรยายมา